ขอน้อมน้อมต่อคุณพระตนตรยัยครูกาพยเพื่อนสถตมิทุกท่านจเจริญธรรมำสำเนินไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านใน <c oughs> ในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนอยู่มากมายอาจจะเรียกเลยว่าถึงแปดหมื่นสี่พันมรรมาถันเนาะซึ่งมีมากมาย ม, มีมากมายทีเดียวการที่มีมากมายเนี่ยทํให้เราอ า, อาจจะจับ ประเด็นลำบากนะในการที่จะนํามาศึกษานํามาปฏิบัติธรรมเนาะแต่ถ้าเรา <c oughs> สามารถ <c oughs> ที่จะแากแยะได้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นเนาะคือประการแรกก็คือให้เรารู้จักความทุกข์เนาะประการที่สองก็คือเมื่อรู้จักความทุกข์แล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์เหล่านั้นนะอันเนี้ยถ้าแยากเป็นสองอย่างก็จะยังเป็นเช่นนี้เท่านั้นเอง ครันเนี่ยความทุกข์ความทุกข์เนี่ยเราจริงๆเรารู้จักไหมเนาะหลายๆคนบอกก็บอกว่าเราก็ไม่เห็นมีความทุกข์ไรเลยเนาะความทุกข์นี้ก็อย่างที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในตอนธรรมวิชาแล้วบอกว่าอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือความทุกข์นะความโศกความรําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ การประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ <c oughs> ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันทั้งห้าก็คื อ, อกายและใจนี่แหละคือตัวทุกข์เน้นได้ทรงการไว้ชัดเจนแล้วอยู่ที่ว่าเราเห็นเ็าไหมเนาะ เพราะนั้นความทุกข์จงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องต้องพบต้องเห็นให้ได้เนาะไม่งั้นเราจะมาปฏิบัติธรรมไปทําไมแต่มา <c oughs> ถ้าการปฏิบัติธรรมเรา <c oughs> ไม่ได้เห็นความทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้เพื่อแก้ทุกข์เมื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อแก้ทุกข์ก็จะผิดหนทางนะก็จ ะ, ะเฉไปทางอื่นนะเป็นทางอ้อม <c oughs> บางบางทีออกนอกลูกนกนก่นอกทางกันไปเนาะเพราะฉะนั้นประการแรกเราจะเห็นความทุกข์ไหม เนี่ยก็เคยชวนอคนที่รู้จักมาปฏิบัติธรรมเขาก็าถามว่า <c oughs> จะบัติธรรมไปทําไม <c oughs> บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงก็าบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์เลยเลยเขาก็สบายดีอยู่แล้วเนาะมันไม่เห็นมีความทุกข์เลยเลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาเห็นเช่นนั้นจริงๆเนาะการนี้อยู่ที่ว่าเราเราเห็นเห็นไม่แล่วมีความทุกข์เกิดขึ้นเนาะ ตอนนี้เราจะนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอาจจะมีความปวดความเมื่อยนี่แหละก็คือความทุกข์นะบางท่านก็รู้สึกง่วงๆนะก็เป็นความทุกข์นะบางท่านรู้สึกว่าเอยอยากจะเข้าห้องน้ํานี่ก็เป็นความทุกข์นะบางท่านรู้สึกหิวหิวก็เป็นความทุกข์เหมือนกันใช่ไหมหรือบางท่านก็รู้สึกเบื่อก็เป็นความทุกข์เนาะอาจจะรู้สึกตอนนี้หนาวหนาวนะก็เป็นความทุกข์นะ เนี่ยจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยแต่ยุทที่เราจะเห็นเขาไหมเนาะคราวนี้ก็บอกว่าเออมันไปปฏิทําแล้วความทุกข์ก็จะได้ลดลงนะเขาก็บอกไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเราบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็มีความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นความทุกข์อะไรก็ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดานะเขาก็มีเงินไม่ต้องมีความทุกข์อะไร เจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาละเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลต่างๆได้นะอะอยู่โรงพยาบาลดีก็ได้ะความตายก็เรื่องธรรมดา ก, ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความทุกข์เลยเนาะตรงเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหาศารในการเกิดํานมสักครั้งหนึ่งเนาะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีความสุขอยู่แล้วตอนสมัยเป็นเจ้าชายสุตตถะเนาะท่านก็มีทุกอย่างพร้อมนะอ่า พระราชวังสามฤดูอะไรต่างๆครบถ้วนแต่ท่านก็เห็นว่าตรงนี้นั่นแหละมันก็เป็นความทุกข์ครั้นี้ความทุกข์ท่านหมายความว่าอะไรนะความทุกข์ท่านก็หมายความว่าความที่เราจะต้องเวียดบายตายเกิดในสังสารวัตนี่แหละคือความทุกข์ท่านต้องการหาความพ้นทุกข์ในสังสารวัตต่างหากไม่ใช่ว่าเพียงแต่ดับทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าท่านออกบวชจากความสบายมาสู่ความทุกข์ความลําบากต่างๆ ก็เพื่อที่จะค้นหาความพ้นทุกข์ในสังสารวัตรให้ได้เท่านั้นเองเนาะเพราะว่าสังสารวัตนี่แหละคือความทุกข์ที่แท้จริงบางทีเราเกิดชาตินี้นะ่ะมันไม่แน่ว่าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไร <c oughs> อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดี้ยงชาตเป็ตะสุรกายสันดิบได้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากพระเจ้าก็ทรงตัดว่ากานะรเกิดมนุษย์นี่มันยากมากนะนะเนาะเรับเพราะนั้นเขาเ ต, าต่าตาบอดตัวหนึ่งอ่ะที่อยู่ใต้หมหาสมุทร หนึรอปีก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือมาสมมติครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วบนมาสมุตินี้ก็จะมี <c oughs> ล้อเกวียร์ล่องรอยไปร่องลอยมาต่อเมื่อเต่าเนี่ยเอาหัวก็ไปในล้อเกวียร์ได้ครั้งหนึ่งนั่นแหละคือการเกิดปมนุษย์นนาะนี้มันยากมากจริงๆนะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เลยส่งเอาเล็บในช้อนฝุ่นติดใบเล็บขึ้นมาก็ถามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายฝุ่นที่ติดไปเล็บเรากับฝุ่นในมหาปฏิพีอย่างไหนกันมากกัน พนะิสุก็ตอบว่าคุณที่ติดปลายเล้วของผู้องค์ไม่อาจจะเทียบกับคุณในหมาปะทพีได้เลยพระเจ้าก็บอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่ตายไปแล้วจะกลับมาเกิดมนุษย์มีน้อยมากเมืออกับฝุ่นที่ติดปลายเล็บเราส่วนที่ไปเกิดในกำเนิดดืนนั้นมีมากมายเมืออกับฝุ่นในมหาปะทพีเนาะเพราะนั้นการเกิดมนุษย์นี่มันยากมากนะเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้เกิดมนุษย์ลุกชาติก็หาไม่นะมันต้องเป็นบ้ายตายเกิดนะับภูมิชายไม่ท่วนนะมันเป็นหนทางที่มันยาวไกลนะ จริงๆแล้วการเกิดมนุษย์นี้เหมือนกับแสงฟ้าแลบในจักรวาลเท่านั้นเองเนาะอายุของจักรวาลเนี่ยชีวิตที่เราเกิดมามันแว บ, บเดียวเท่านั้นนะมันแสงฟ้าแลบเท่านั้นเองมันเป็นโอกาสที่สั้นมากและน้อยมากเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องการให้เราหาโอกาสที่เราเราเกิดมนุษย์นี่แหละมาปฏิธรรมเพื่อความ้นทุกข์ออกจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดนนับพบนับชาติไม่ท้วนเนาะ <c oughs> นี่แหละคือผลท้ายจริง แต่คนที่มีปัญญาเล็กน้อยก็จะคิดว่าเออเราก็ชาตินี้เราก็ไม่มีความทุกข์เลยนะเราก็อยู่สบายแล้วเราก็ไม่หาทางพ้ทุกข์อันได้เป็นความคิดที่เรียกว่าน่าสงาสารเนาะ <c oughs> เกิดมาแล้วก็ตายเปล่าใช่ไหมค <c> ร <oughs> ั้นี้ครั <c> ้ <oughs> นี้เมื่อเราได้พบแล้วว่าจริงๆไม่มีความทุกข์อยู่จริงๆนะความทุกข์เนี่ยในขันห้าเนี่ยเมื่อเรามีขันห้าก็มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์อยู่สองอย่างะก็คือความทุกข์ในทางร่างกาย <c oughs> ความทุกข์ในทางร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแก้ไขก็ไม่ได้หรอกนะเมื่อมีร่างกายขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งก็ต้องคอยดูแลรักษาบํารุงรักษาเข้าไปนะร่างกายก็เช่นนั้นเหมือนกันนะต้องคอยดูแลรักษาก็ไปตลอดชีวิตเขาก็มีแต่จะเสือ่อมลงไปนะจะโทรมลงไปนะมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่ความแก่ปรากฏขึ้นตลอดเวลา <c oughs> จนในี่สุดเขาก็จะทนไม่ไหวกับสภาพนี้เขาก็ลงตายไปนะมันมันทนไม่ได้จริงๆนะในภาบังกายนี้นะมีความหิวแล้วก็ไปทานอาหารประเดี๋ยวก็หิวใหม่นะง่วงนอนไปนอนมันก็ต้องง่วงก็กลับไปนอนใหม่นะยืนเฉยเดินเฉยก็ไม่ได้นะมันก็เมื่อยก็ต้องมานั่งมานอนเปลี่ยนไปตลอดเวลานะต้องแก้ทุกเนี้ยเป็นทั้งวันเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นความทุกข์ในทางร่างกายเนี่ยเราไม่แก้ได้เลยนะมันเกินการแคบ บันเทาทุกเท่านั้นเองส่วนความทุกข์อีกอย่างนึงก็คือความทุกข์ในด้านจิตใจนะจิตใจนี้ <c oughs> มันเป็นความทุกข์ที่เรียกว่ามันอันตารายไร้กาดยิ่งกว่าร่างกายเพราะมันเป็นเหตุให้เราไปฆ่าตัวตายได้นะคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่คนที่เป็นนอนตามใต้สะพานนะหรือนอนตามสถานีรถไฟหรือว่าเก็บขยะต่างๆพวกนี้ก็ไม่ฆ่าตัวตายหรอก แต่คนที่ฆ่าตัวตายก็คือคนที่อาฐานะค่อนข้างดีนะมีความร่างกายก็แข็งแรงนะแต่ว่าจิตใจเ้าเนี่ยเขาทนต่อสภาวะที่บีบคั้นในความทุกข์ทางใจไม่ได้ก็เลยไปฆ่าตัวตายนะจากอความอจากความรักบ้างการผิดหวังในความรักบ้างนะหรือเศรษฐกิจต่างๆไม่ดีนะทนไม่ไหวนะก็ไปฆ่าตัวตายกันมากมายนะตรงนี้ก็คือสภาวะที่เราเห็นไม่ว่า <c oughs> ความทุกข์ในทางจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ความทุกข์ที่จิตใจนี่มันน่ากลัวหรือว่าอันตรายถึงค่าตัวตายได้ก็จริงแต่ว่ามันสามารถที่จะดับสามารถที่จะแก้ไขสามารถที่ทําให้หมดไปอย่างเด็ดขาดเนาะมับกรผ่ า, หารหันเนี่ยท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางกายแต่ความทุกข์ในทางจิตใจของท่านเนี่ยหมดไปแล้วนะดับไปแล้วไม่ไม่มีความทุกข์ในเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราประการที่สองนะก็คือเมื่อ เราไปทำเพื่อความดับทุกข์นี่แหละเป็นการดับทุกข์ที่ไหนนะดับทุกข์ทั้งจิตใจนั่นเองเนาะไม่ได้ไปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ที่ไหนแต่ว่าดับทุกข์ในใจของเรานะเมื่อทุกข์ในใจของเราดับแล้วมันหมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถึงแม้มันจะดับไม่หมดก็จริงแต่ในชาตินี้เราจะรู้สึกว่าความทุกข์ในชาตินี้มันจะก็จะลดลงความที่เราเคยมีรม ต, ต่างๆความโลภความโกรธความหลง อารมณ์ต่างๆมากมายที่นําความทุกข์มาลำมันก็จะลดลงไปในตัวเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยความดับทุกข์ในทางใจของเราให้มันจบสิ้นไปให้ได้เนาะ <c oughs> คราวนี้เมื่อเรารู้ว่าอ่าพุทธศาสนานี่ก็มีอ่สองประการเท่านั้นคือให้รู้ความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ประการต่อมาเราจะปฏิบัติอย่างไรเนา ะ, ะการปฏิบัติอย่างไรนี่เมื่อวานก็ได้นําสวดบทสติฐานสีไปแล้วว่า การมาทำก็คือการกลับมาตามรู้กายรู้ใจเรานี่แหละไม่ได้แบบทำที่อื่นเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเนี่ยฉะนั้นบางทีคนนี่ยไปศึกษาอะไรมากมายน ะ, ะจั ก, กรวาลเป็นอย่างไรดาวดวงนูน่นกี่ล้านตีแสงชื่ออะไรเนี่ยมันไรสาระมากเลยเนาะมันศึกษานอกตัวมันไม่มีไม่เป็นหนทางความพ้นทุกข์แต่ว่าการที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยก็กลับมาศึกษาตัวเราเองกายและใจนี่แหละมันเป็นหนทางที่แท้จริงเนาะ พอกายเลยใจเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถตามรู้เขาได้ไม่ยากใช่ไหมอ่า mm hmm. uh, พราะแม mm ่เ hmm. จ้าก็เลยบอกว่าอ่า mm hmm. ในสติปัฏฐานสีก็ให้ตามรู้กาย mm hmm. บอกว่าอ่อ <c oughs> เดินก็ให้รู้ว่าเดินอ่า mm hmm. ยืนก็ให้รู้ว่ายืน mm hmm. นั่งก็ให้รู้นั่งนอนก็ให้รู้ว่านอนนะ น, นี่ก็คืออีบทอ่ใหญ่เนะยืนเดินนั่งนอนนี่แหละอะ่านี้ทำไมต้องมารู้ในตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเรา สมมติเราเดินนะเราเดินเนี่ยเราส่วนมากไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราเดินนะโดยส่วนใหญ่นะอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนาะจะเดินด้วยความเคยชินนะเดินเดินไปก็คิดไปอ่าจะถึงเมื่อไหร่นะรถจะติดไหมอ่าประเดี๋ยวจะทําอะไรเย็นนี่จะทําอะไรมันก็คือเดินไปคิดไปมันไม่ต้องรู้ว่ากําลังเดินหรอกเพราะมันเดินด้วยความชํานาญมาต่อชีวิตแล้วเดินด้วยความเคยชินเนาะ นั่งนอนทั้งหลายแหลเนี่ตรงนี้คือบททั้งสี่เราไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> นี่คือความจริงของมนุษย์ <c oughs> ต่อมาพระเจ้า่าให้รู้ในผลย่อยต่างๆก็เรียกว่าสัมพชัญญา <c oughs> รู้ว่าเช่นเลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยดื่มลิ้มกินเคี้ยวทรงจีบอสังาติ <c oughs> อุจจาะปัสสาว ะ, ะก็ให้รู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เนาะก็คือไอ้บทย่อยต่างๆให้เรารู้ทันเพรคนเรานาะในบทของเราก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเอยงยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดในแะต่วันๆนะก็ไอ้บทใหญ่โหลดไอ้บท ย, ย่อยะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ให้รู้อะไรเยอะกลับมารู้ตรงเนี้ยได้ไหมกําลังทําอะไรอยู่และการทํานี้อยู่ตรงไหนออยู่ปัจจุบันนั้นนี้เท่านั้นเองเนาะ <c oughs> เช่นตอนเนี้ยอ่ถ้าหากว่าเรารู้ว่า ขณะนี้เรากําลังนั่งอยู่เรารู้ไหมนะถ้ารู้ว่ากำลังนั่งนี่ก็ปฏว่าติทำจบแล้วนะเพราะนั่งให้รู้ว่านั่งใช่ไหมเรารู้ว่ากำลังนั่งใช่ไหมมันเป็นสภาวะรมที่เกิดในปีบันนั่นเองเนาะหรือตอนนี้เราอาจจะนั่งสร้างจังหวะอยู่เรารู้ไหมว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ถ้ากลับมารู้ว่าขณะนี้กาลังสร้างจังหวะอยู่นี่แหละเราก็ปฏิบัทําจบแล้วนะเลยจะพิกมือก็ได้รู้ไหมใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้นะเราสังเกตว่ามันเป็นปัจจุบันธรรมที่ว่าเราสามารถรู้ได้โหลดที่เราไม่ต้องไปอาศัยความคิดเนาะเรานั่งก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังนั่งกําลังนั่งหนอไม่ต้องเป็นความคิดแต่เป็นความจริงสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือความจริงไม่ต้องอาศัยความคิดหรือเรายกมือสร้างยังหวะก็เป็นความจริงใช่ไหมไม่ต้องอาศัยความคิดว่ากําลังยกกํนะาลังยกหรือยกหนออันนี้มันเป็นความคิดแต่ว่า แต่ว่าความจริงน uh, ี่เขาเรียกว่าเราออกจากความคิดได้กลับมาแค่รู้เท oh, ่าน ja. mm um ั้นเองนะมันเป็นการรู้เพราะนการที่เรารู้นี่แหละมันมันตรงข้ามกับความคิดความคิดก็ส่วนหนึ่งความรู้ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราคิดมันก็เลยไม่รู้นะอ่มันก็อยู่ในความคิดแต่เมื่อมันคิดน่ะมันก็ไม่แต่เมื่อเรารู้มันก็ไม่ต้องใส่ความคิดแต่อย่างใดมันแค่เป็นการรู้เท่านั้นเองนะเพราะนการที่เรารู้เนี่ยมันออกจากความคิดได้ ความคิดนะ่ะมันก็มีสองอย่างคือความตั้งใจคิดนะเราทําอะไรก็ตั้งใจที่จะคิดอันนั้นไม่เป็นไรนะอันนั้นถือว่าไม่หลงส่วนในตัวนก็คือเราไม่ตั้งใจคิดอันนี้เขาเรียกว่าเราหลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาเราจริงๆก็คือความที่เราไม่ตั้งใจคิดนี่แหละอืส่วนใหญ่เราก็อยู่กับความไม่ตั้งใจคิดเกือบทั้งวันมันเรียกว่ามันหลงเกือบทั้งวันเนาะ <c oughs> คราว น, นี้เราหลวงพ่อคุจี๊ยบว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะ วิธีการเป็นหลอมันรู้ว่ากลับมารู้สึกตัวนี่แหละกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ใช่ไมืมขณะนี้กาลังยกมือสร้างไหวก็ไม่ได้คิดว่ากําลังยกมือสร้างไหวแต่มันแค่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมเมื่อมันรู้มันออกจากความคิดได้เมื่อเอาจากความคิดเราจะเห็นความคิดเนาะ <c oughs> การเห็นความคิดนี่มันสําคัญมากการมาทำจิตระติในมันมันเป็นเหตุให้เราเห็นความคิดลงมาเทียนบอกว่า <c oughs> ให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนาะเพราะนั้นการที่มันคิดนี่แหละมันส่วนมากเป็นความคิดเพราะความหลงนะแต่การที่เราจะเห็นความคิดได้มันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ว่าให้ร่างให้จิตใจเนี่ยเขามีเครื่องอยู่ให้ได้ <c oughs> เครื่องอยู่เนี่ยมันมันอยู่ที่ไหนนะบางทีก็บอกว่าอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ใช่ไหมมาอยู่ที่กายก็ได้เนี่ย การที่อยู่ี่กายนี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากนะเมื่อจิตเนี่ยมีเครื่องอยู่ที่กายแล้วรู้ในการยืนเดินนั่งนอนรู้ในการที่เรากำลังทำอะไรอยู่ยกมือสร้างยังหวะหรือทำนู่นทำนี่เมื่อสามารถมีเครื่องรู้ที่กายปุ๊บเนี่ยจิตจะมีที่ตั้งนะจิตมีที่ตั้งนี่เาเมื่อเขาไหลไปเขาหลุดไปเราจะรู้ได้ทันสามารถที่จะรู้ทันได้ไวนะตรงนี้เป็นเป็นหลักการในการที่ให้จิตเนี่ยมีเครื่องอยู่นะ จิตจิตที่มีความตั้งใจมันไม่เหมือนกับจิตที่มันเคยชินเนาะ <c oughs> อย่างเช่นว่าเราแปลงฟันนะวันละสามสี่ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะถามตัวเราเองได้ไหมว่าเราแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นความเคยชินเนาะส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเราเป็นความเคยชินเป็นส่วนใหญ่เนาะอาจจะรู้สึกตัวบ้างเป็นเล็กๆน้อยน้อยเป็นบางครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่คือความเคยชิน <c oughs> ความเคยชินนั่นแหละคือความหลงไปนะพราะเราไม่รู้ว่าขณะนี้นกำลังทําอะไรอยู่ นีมันมันหลงแล้วนะการที่เราไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือความหลงทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมารู้ว่าขณะนี้เรากําลังแปลงฟันไหมรู้ไหมเนี่ยมันเป็นหนทางที่มันกลับมาให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องอาศัยความตั้งใจนะเราแปลงฟันก็มีความตั้งใจในการแปลงฟันมันก็จะรู้สึกตัวได้เพราะฉะนั้นการที่เรายกมือซ้ายขวาไม่ใช่เรายกในความเคยชินนะ บางที่เราทํามาสี่ห้าวันแล้วจะรู้เลยว่ามันก็เป็นความเคยชินได้เนาะมันก็ไม่ไม่ได้ไปคิดอะไรละมันยกด้วยความเคยชิน <c oughs> การที่มันยกด้วยความเคยชินหรือว่าเป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือการที่เราลงไป <c oughs> แต่ว่าอการ <c oughs> ยกมือไส้าหว่า <c oughs> มันจะต้องยกด้วยความตั้งใจนะหรือว่ามีเจตนาในการยกนะ การที่เรามีเจต น, นาในการยกเนี่ยมันมันเป็นหนทางที่ให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาได้มันรู้ขึ้นมาเลยนะกำลังทําอะไรอยู่มันรู้หมด <c oughs> เพราะว่าการที่เราตั้งใจเนี่ย <c oughs> มันเป็นอืม <c oughs> มันเป็นตรงข้ามกับความเคยชินนะคือมันจะเปลี่ยนอุปนิสัยของเราจากความเคยชินนะความเคยชินที่เป็นอุ ป, อปนิสัยเราเกิดมาต่อชีวิตเรืยยืนเดินนั่ง น, นอนดง่มกินคิ ด, คดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันเป็นความเคยชินมาตลอดเลย คันนี้จากการที่เรามาฝึกนี่เป็นการเปลี่ยนนิสัยใหม่นะเปี่ยนนิสัยใหม่จากความเคยชินมาให้กลับมารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะนั้นการที่จะกลับมารู้ได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจนี่แหละความตั้งใจมันจะเป็นตรงข้ามกับความเคยชินเนาะความเคยชินมันเป็นความไม่ตั้งใจแต่ว่าความตั้งใจมันเป็นคานตรงข้ามกับความเคยชินเพราะนั้นเมื่อมีความตั้งใจปุ๊บเนี่ยความเคยชินก็จะดับไปมันจะกลายเป็นความตั้งใจ เมื่อเรามีความตั้งใจปุ๊บมันจะเปลี่ยนวิสัยใหม่เป็นการที่เรียกว่าเรากลับมาตั้งใจรู้ะการที่เราตั้งใจรู้เนี่ยก็เหมือนที่หลมงพ่อกำกี้ว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเองนะก็คือกลับมาตั้งใจรู้กําลังทำอะไรอยู่กาลังยืนเดินนั่งนอนกําลังดืง่มกินพูดคิดแต่คํ า, าว่าความตั้งใจไม่ใช่การไปเพ่งเอาเนาะไม่ใช่การไปเพ่งว่าออขณะนี้กําลังทําอะไรก็ไปเพง่งเต็มที่เลยตั้งใจมากเกินไปพยายามรู้ให้ต่อเนื่องยาวงานะรู้อ่ะ เราเดินจงกรมก็รู้ไปเลย20นาทีไม่ไปไหนเลยนะยกมือสร้างวาก็20นาทีรู้ตลอดเวลาเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเนาะความถูกต้องก็คือรู้เป็นครั้งครู้เป็นขณะขณะนะอย่างที่ล้มพระก็ล้มพระคำเขียนบอกว่าล้มพระเทียนบอกว่ารู้ตอนเลืลูกโซ่นะลูกโซ่ก็คือเป็นข้อข้อนะเป็นข้อข้อข้อข้ อ, ขอไม่ได้ยาวไปหลือเส้นนะ ครั้นี้หลวงพ่เทยมบอกว่ายารู้เป็นเหล็กเส้นนะรู้เป็นเหล็กเส้นก็คือรู้ยาวๆอะไปประคองตัวรู้ยาวๆไปคอยเพง่งยกมือก็เพ่งใส่มือเลยรู้ยาวๆเนาะอันนั้นก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปเพ่งเอานะเพ่งเงาเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันทําให้จิตสงบ <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าการที่เรามาเจอรื่องนี้ไม่ใช่ว่าทําเพื่อจิตสงบนะไม่ได้ให้ไม่คิดอะไรเนาะแต่เป็นการเขยา่าท่านรู้ต่างหาก นะขยา่าท่านรู้ให้ก็ตื่นขึ้นมานะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญให้ได้นะว่าเราขยา่าท่านรู้ไหมหรือว่าเราไปทําให้จิตสงบใช่ไหมถ้าเราทําผิดทางนี่มันเหมือนกันเราก็ไม่ได้พ้นได้สมถะแทนแต่ว่าไม่ไม่เกิดการตื่นรู้ในใจของเราเนาะเพราะการที่เราทําเมื่อมีความตั้งใจแล้วจิตมันก็สามารถตื่นรู้ได้ใช่ไหมรู้เราทิ้งรู้เป็นครั้งครัรู้เป็นขณะนะรู้เราทิ้งรู้เราวางหลวงพ่อกำเสกว่ารู้สั้นๆไม่ต้องรู้ยาวๆ <น> <c oughs> ตรงเนี้ยมันก็จะต่อเนื่องลูกโซ่ได้เองนะมันก็เป็นรู้ครั้งอ่ารู้แล้วก็เผอลอรู้แล้วก็เผลอได้เผลอแล้วก็กลับมาเ <c oughs> พราะนั้นการที่เราอ่ายิ่งเผลอยิ่งก็ยิ่งรู้เนี่ยมันเป็นทําให้จิตมันตื่นเนาะ <c oughs> พเพราะนั้นรลวงพ่อเทียมบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็หมายความว่ายิ่งเผลอก็ยิง่งรู้นะ <c oughs> อย่างเราคิดร้อยครั้งนั่งเรารู้ทักห้สิบครั้งนี่ก็จิตก็เริ่มตื่นตัวแล้วนะเ <c oughs> พราะเมื่อก่อนเราคิดร้อยครั้งอาจจะรู้แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองแต่ว่า เ, าเรา คิดลอยครั้งก็ ร, รู้สักห้าสิบครั้งจิตก็เริ่มตื่นตัวแล้วเพราะนี่เราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะบางคนว่าเออทำไมอยู่บ้านมันไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเลยแต่มาปฏิบัติธรรมมันคิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะตรงเนี้ก า, ารที่เราเห็นความคิดบ่อยๆนะจิตมันจะเริ่มตื่นตัวจิตมันเคลื่อนไปไหลไปเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมันตื่นตัวก็มาครั้งหนึ่งนะครา้นี้มันตื่นตัวปุ๊บมันจะรู้ทันเออจิตมันจะเริ่มตั้งมัน่นละเป็นผู้ดูผู้รู้ไปเป็นผู้เห็นนะ คันนี้น่ะมันการเป็นผู้เห็นนี่มันเป็นประเด็นที่ว่าหลวงพ่อกําเขียนเขาเน้นในตรงนี้มากบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะคือใหม่ๆเราเราให้รู้สึกตัวให้ได้ก่อนใช่ไหมฝึกมาสามสี่วันแล้วรู้สึกตัวได้แล้วครันนี้เราก็มาสังเกตว่าเราเป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้ดูได้ไหมใช่ไหมเราก็มาดูเออบางทีนะเมื่อก่อนเรามีความคิดเราก็เข้าไปในความคิดนั่นแหละเป็นผู้เป็นมะเข้าไปในความคิด อแต่ในครูบาอาจารย์นะก็บอกว่าให้เป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูก็เห็นความคิดไปนะไม่เข้าไปในความคิดเราก็เห็นความคิดได้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราจะเข้าไปในความคิดเราจะไปช่วยเขาคิดติดต่างหากนะคิดนั่งห้านทีคิดตรงหลายเรื่องไปช่วยเขาคิดะมันหลงไปแล้วนะนี่คือนิสัยเก่าที่เราไม่เคยฝึกมาแต่เมื่อเรามาฝึกแล้วก็คือมันมันสามารถที่จะรู้ทันความคิดได้มันคิดก็ไม่เป็นไรนะเราอย่าไปห้ามความคิดแต่มีความคิดเราสําคัญว่ารู้ทันไหมนะ รู้ทันแล้วกลับมาได้ไหมนะกลับมารู้สึกตัวได้ไหมขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่กำลังยืนเดินนั่งนอนกำลังสร้างอย่างว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ปัจจุบันปุ๊บความคิดจะดับไปทันทีดับไปดับไปเพราะมันทนตภาวะความเป็นปัจจุบันไม่ได้เพราะความคิดนั่นหละคือความปรุงแต่งเปในเด็กหรืออนาคตนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทันความเกี่ยวกับมาอยู่ปัจจุบันรู้สึกตัวคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวหลงไปก็กลับมารู้สึกตัว โกรธก็กลับมารู้สึกตัวลักก็กลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่ปัจจุบันนี้แหละความคิดก็จะดับไปทันทีเนาอ ะ, อะอันนี้ถ้าเรามีกําลังแล้วเราไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันก็ได้เพราะอยู่กับสิ่งใดก็ติดอยู่สิ่งนั้นนะเพราะเราก็ใส่เออมีความคิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บดับไปเลยนะตรงนี้จิตเราจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นสภาว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่ได้มันต้องมาติดกับปัจจุบันติดกับอนาคตาติดกับดีอะไรทั้งสิ้นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเห็นภาวะธรรมท ตรงนี้เราเห็นสภาวะที่เขาเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สั์บุคคลตัวเราเขาเนาะคราวนี้เนี่ยเราเราก็สังเกตว่าเราดูนะอบางทีเรามีความเครียดก็รู้ทันความเครียดแต่เราก็ไม่เข้าไปในความเครียดเรามีความโกรธก็รู้ทันความโกรธไม่เข้าไปในความโกรธมีความรักก็รู้ทันว่ามีความรักไม่เข้าไปในความรักตรงนี้ก็เห็นว่ามันแยกกันแล้วนะเมื่อก่อนก็เป็นตัวเราเข้าไปในความโกรธความรักความชังเราก็เป็นผู้ดูเข้าทํางานไป ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราเนาะหรือเราเดินเมื่อก่อนก็เป็นเราเดินไปเราเดินตอนหลังเราก็เห็นมันก็เป็นแค่กายมันเดินนะมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่กายมันเดินนะเราก็เป็นผู้ดูก็ไปนะเพราะถ้าเราดูงี้ได้มันก็กลายเป็นเราแยกออกมาดูนะมันก็กลายเป็นสามอย่างเมื่อก่อนก็มีกายนะแล้วก็มีตัวเราะมีความคิดเป็นของเรา นะตอนหลังเราก็ดูเราก็เป็นแค่ผู้ดูดูกายก็ทํางานไปกายก็เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิด <c oughs> เราก็มีเป็นผู้ดูความคิดต่างๆเกิดขึ้นนะความคิดก็กกกรักชังโกรธเกลียดก็ดูเข้าไปมันก็แยกแยกกายอยา ก, ยา ก, ยากใจนะมันก็แยกออกมาให้เราเห็นว่า ม, มันเป็นแค่การทํางานของรูปของนามหรือของกายของใจหรือเป็นการทํางานของขันห้าคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแค่ขันท่าเท่านั้นเองไม่ใช่เราขันท่าก็ทําตามหน้าที่ของเขานะเขาก็มีแล้วก็ทําตามหน้าที่ของเขาแต่ก็ไม่ใช่เรานะเราก็เป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ไปมันก็แยกไหยเราเห็นว่ามันทุกอย่างมันไม่ตัวไม่ตนในตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้ว่ามันไม่ตัวไม่ตนแล้วมันก็จะวางได้เร็วขึ้นนะมันก็ใครโกรธนะมันใครมาด่าเรามันใครโกรธน่ะนะมันก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรามันมันมันก็แค่ ความปรุงแต่งหรือเป็นสังขารปรุงแต่งในขึ้นมาในความโกรธเท่านั้นเองนะ <c oughs> เวลาเรามีความรักก็ดูใครรักอะ่ะมันก็เป็นแค่สังขารคือความรักคือความปรุงแต่งสังขารก็คือตัวหนึ่งในขันห้าเท่านั้นเองเนะมันก็เห็นสภาว่าต่างๆมันก็เป็นแค่ น, นั้นเองนะอะเรามีเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาอเป็นความที่เรียกว่าความทุกข์ของเขาเป็นเวทนามันไม่ใช่เรามีความสุขก็เป็นแค่เวทนาตัวหนึ่งก็มันแค่ขันขันตัวหนึ่งนะ คือขนันในเวทนาก็ไม่ใช่เราเราก็เป็นผู้ดูการทํางานเข้าไปแล้วเขาก็แสดงว่าใจรักเขาเห็นว่าเขามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับเขาก็ไม่ใช่ตัวเมตตนถ้าเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราแล้วเขาต้องอยู่เราตลอดกาลนะความรักก็ต้องอยู่เราตลอดกาลนะความโกรธก็ต้องอยู่เราตลอดกาลนะแต่เขามาแล้วก็ไปเราเห็นสภาวะธรรมต่างๆเขาก็เกิดแล้วก็ดับมันก็จึงสรุปออกมาได้ในทีหลังถ้าเราเห็นบ่อยๆนะก็เห็นว่าเออมันตรงเนี้ยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอก เขจึงแสดงความไม่เที่ยงความไม่แน่ไม่นอนให้เราเห็นเขาคงในภาวะเดิมไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นเช่นั้นเองอเขาก็จึงไม่ใช่ตัวเป็นตนของเราะถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ต้อบังคับให้ก็เป็นตามที่เราต้องการได้ทุกอย่างแต่เราจะทําเช่นนั้นไม่ได้เลยนะความคิดจะให้ยุคคิด5้านาทีก็ยังไม่ได้หรือเลยไม่รู้เลยอีก5้านาทีอีกนาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะไม่รู้หรอกเข้ามา เพราะว่าสภาวะรต่างๆระบังคับเขาไม่ได้เลยเขเป็นสภาวะที่ก็มาแล้วไปเป็นเป็นอนัตตาเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ระบังคับเขาไม่ได้เราไม่น้าที่แค่รู้แค่ดูก็เท่านั้นเองตรงนี้เราก็จะแยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนาะมันไม่จะเป็นเป็นผู้เป็นเนี่ตรงนี้นะมันเป็นโอกาสที่สําคัญที่เราสามารถศึกษาตัวเราเองได้ว่าจริงๆแล้วตัวเราคือใครตัวเราคือผู้หญิงชื่อนี้นะตัวเราคือผู้ชายชื่อนี้เป็นอย่างไร นะมันแค่สมมติเท่านั้นเองนะอันนั้นเขาเรียกว่าสมมติบันหยาดแต่จริงๆแล้วตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรมันมีสภาวะเป็นแค่รูปแค่นามเป็นแค่ขันห้ารูปเวนาสัญญาสังการวิญญาณที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วก็บังคับเขาไม่ได้เป็น ว, วัตถุทาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ตนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติดนะตรงนี้ทําให้ยังไงในใจเรามีความเมตตามากขึ้นเนาะ เมื่อเรากลับไปทํางานใหม่เนาะเราเป็นพยาบาลเป็นสาธารณสุขเราจะรู้สึกว่าเราจะมีเมตตามากขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่โรงพยาบาล น, นี่คนไข้มาเช้าๆนะเยอะมากเลยไปเลยร้อยคนอบางทีเป็นพันคนมีความรู้สึกว่าจะแห่กันมาทอดกระถิ่นทอดปาดหรืออย่างไรเนาะมันจะรู้สึกหงุดหงิดหน้าลาคาญหน้าเบื่อเนา ะ, ะนั่นแหละเพราะว่าตอนตอนหน้าเรายังไม่ได้ไปบัตรธรรมจะรู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสเทว่าเรามันหน้าเบื่อ แต่เมื่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจเราได้เออเข้ามาก็ดีแล้วนะนี่เราจะได้ช่วยเขาเราจะได้บุญด้วยเพราะโอกาสที่จะทำบุญมันก็มีนะเป็นเกี่ยวกับพยาบาลเป็นหมอนี่แหละโอกาสทำบุญเราทำได้อง่ายๆเนาะเราสามารถที่จะรับเงินเดือนด้วยใช่ไหแล้วก็เราทำด้วยความเมตตาอยากจะช่วยผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ นะตรงเนี้ยเมื่อเราไม่เมตตาเช่นนั้นแล้วบุญก็เกิดจากเราเราจะทําด้วยความสุขใช่ไหมเราจะอยากรักษาเขาให้หายนะมันจะมีความสุขไม่ใช่เราทําตามหน้าที่นะอนะถ้าทําตามหน้าที่มันก็เบื่อแต่ถ้าทาด้วยฉันทาคือความพอใจมันจะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นคนที่จะสําเร็จนะมีความสุขในชีวิตก็ต้องมีเรียกว่ามีฉันทา <c oughs> คือความพอใจในงานนั้น <c oughs> มีวิริยะก็คือมีความเพียรจิตตาก็คือ การเอาใจใส่ในงานนั้นวิมังสาคือการไต่ตองในงานนั้นให้ทําไปไ ด, ไ, ดได้ความสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อยนะถ้าเรามีอย่างนี้ครบเราจะทําอาชีพไหนก็มีความสุขมีความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มี4อย่างนี้เราทําอาชีพไหนก็ไม่ประสบความสาเร็จจะมีแต่ความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกอาชีพนี้เราเลือกด้วยตัวเราเองนะไม่มีใคราบังคับเราเราต้องทําด้วยความที่เรียกว่ามีความฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานี่แหละ เราก็จะประสบความสาเร็จนะแล้วเราก็จะได้บุญกุศลจากที่เราช่วยเหลื อ, อคนป่วยใช่ไหมในขณะเดียวกันก็เราก็ได้ไปฏิบัติธรรมในตัวคือการเจริตินี้มันไม่ต้องมาวัดหรือว่าไปสารปฏิบัติธรรมเพราะว่าการที่เรายืนเดินนั่งนอนดื่มินพูดคิดนี่เราทําที่ไหนก็ได้ที่มีตัวตนเราอยู่นั่นไงใช่ไหมอยู่โรมพยลเราก็ทําได้อยู่บ้านเราก็ทําได้นะแล้วตัวเราอยู่ไหนเราก็ทําตรงนั้นนั่นแหละใช่ไหมตรงนี้คือโอกาสที่ว่าเราสามารถทําได้ในชีวิตเราจริงๆแล้วโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์จริงๆก็มีอยู่นะ ถ้าเราตั้งใจไปแล้วเราทำก็สามารถที่พ้นรู้จากการาเวีนไนว้าตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้เราก็จะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ดิแท้จริงนะเพราะนั้นโอกาสใ น, ในท้ายนี้ก็ขอปรารถนาบารมีคุณพระตาตรไัยน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด